พระบัญญัติ436ก็ภิกษุอยู่อาศัยหมู่บ้านหรือนิคมแห่งใดแห่งหนึ่งประทุษร้ายตระกูลมีความประพฤติเลวทรามความประพฤติเลวทรามของเธอเขาได้เห็นและได้ยินกันทั่วตระกูลทั้งหลายที่เธอประทุษร้ายเขาได้เห็นและได้ยินกันทั่วภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงว่ากล่าวตักเตือนอย่างนี้ว่าท่านประทุษร้ายตระกูลประพฤติเลวทรามความประพฤติเลวทรามของท่าน เขาได้เห็นและได้ยินกันทั่วตระกูลทั้งหลายที่ท่านประชุดสไรเขาได้เห็นและได้ยินกันทั่วท่านจงออกจากอาวาสนี้อย่าอยู่ที่นี้และภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนอยู่อย่างนี้ก็โต้ตอบภิกษุทั้งหลายว่าพวกภิกษุลำเอียงเพราะความพอใจลำเอียงเพราะความขัดเครืองลำเอียงเพราะความหลงลำเอียงเพราะความกลัวขับภิกษุบางรูปไม่ขับบางรูปเพราะอาบัติอย่างเดียวกัน ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนอย่างนี้ว่าท่านอย่าพูดอย่างนั้นภิกษุทั้งหลายแม่ลำเอียงเพราะความพอใจแม่ลำเอียงเพราะความขัดเคืองแม่ลำเอียงเพราะความหลงแม่ลำเอียงเพราะความกลัวท่านประทุษร้ายตระกูลประพฤติเลวทรามความประพฤติเลวทรามของท่านเขาได้เห็นและได้ยินกันทั่วตระกูลทั้งหลายที่ท่านประทุษร้ายเขาก็ได้เห็นและได้ยินกันทั่วท่านจงออกจากอาวาสนี้อย่าอยู่ที่นี้ ภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนอยู่อย่างนี้ก็ยังยกย่องอยู่อย่างนั้นภิกษุนั้นอันภิกษุทั้งหลายพึงสวดสมรภาพจนครบสามครั้งเพื่อให้สละเรื่องนั้นถ้าเธอกําลังถูกสวดสมรภาพกว่าจะครบสามครั้งสละเรื่องนั้นได้นั่นเป็นการดีถ้าเธอไม่สละเป็นสังฆาธิเศษเรื่องภิกษุพวกพระอัสชิและพระภูนพัสสุกะจบ